ร่างกายคนเรานะีก็ต้องการอาหารอาหารที่ดีดีในที่ไม่ไแพงแต่มายถึมีคุณภาพเป็นอาหารที่สมดุลเหมาะกับร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ร่างกายมีสุขภาพดีแต่นอกจากการรู้จักเติมอาหารให้กายแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักเติมความสุขให้ใจด้วยเพราะว่าใจก็ต้องการความสุขนะเหมือนกับอาหารที่จําเป็นสําหรับร่างกาย ว่าคนเราต้องรู้จักเติมสุขให้ใจไม่ใช่แค่หาอาหารใส่ท้องเท่านั้นแต่เวลาพูดถึงการเติมสุขให้ใจนี่เราก็มักนึกถึงการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นการชอปหรือพูดน่าคือการเสพนะดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยนะสุขอย่างนั้นมันก็ยังไม่ดีต่อจิตใจเท่ากับสุขที่เกิดจากการทาความดี และการทำความดีอย่างหนึ่งนะที่มันช่วยเติมสูงให้ใจนะก็คือการรู้จักแบ่งปันนะความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อ เ, อ เ, อเอผื่อแผ่ถ้าเรารู้จักทำหรือทำบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้จิตใจมีความสุขนอกจากเติมสูงให้ใจแล้วยังช่วยลดทุกข์ให้ใจด้วยนะอย่างก็เพราะว่าคนที่ไปเป็นจิตอาสาเนี่ยนะถ้า ทำเป็นอาจินทำเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆมันช่วยลดความเครียดได้แล้วก็ยิ่งนนั้นคือลดความซึมเศร้าเนะีย่ยอนี้คนเครียดเยอะคนซึมเศร้านี่ก็มากนะจะล้มป่วยแต่ว่าถ้าหาว่าได้ลองออกไปนะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาเนี่ยความเครียดลดลงอาเป็นเพราะว่า มีความสุขมากขึ้นนะจากการที่ได้ไปช่วยคนที่เขาทุกข์ยากแล้วเห็นเขายิ้มเห็นเขารู้สึกดีขึ้นหรือไปเห็นคนอื่นที่เขาทุกข์เขาลําบากกว่าเราเนี่ยมันก็ทําให้ความทุกข์ของเรามันเล็กน้อยลงเช่นเดียวกันนะพอมีความสุขจากการที่ไปช่วยผู้อื่นแล้วเนี่ยอาการซึมเศร้มัน ก, ก็ค่อยบรรเทาลงเพราะว่าเหมือนกับ น้ำดีเนี่ยก็ไปค่อยๆไล่น้ําเสียออกไปน้ําเสียถ้าเราสูบออกไปนี่มันเหนื่อยแต่ถ้าเราปล่อยน้ําดีเข้าไปนี่มันช่วยทําให้น้ําเสียนค่อยๆเจือจางลงนอกจากการมีจิตอาสาแล้วเนี่ยนะหรือการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแล้วเนี่ยการรู้จักให้ทานหรือการแบ่งปันนําสิ่งที่เรามีนะไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ที่ทางพเราเรัทธิว่าทานเนี่ยหรือการให้ทานเนี่ยมันก็ช่วยนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยในการลดความทุกข์ในจิตใจอย่างเดียวนะมันช่วยลดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วยพู้ง่าคือมันทําให้สุขภาพดีไม่ใช่แค่สุขภาพจิตแต่รวมเป็นสุขภาพกายด้วยอย่างก็เพบว่าเนี่ยคนที่มีความดันสูงเนี่ย ถ้าลองออกไปนะทำความดีเอาแค่ว่าเอาเงินที่มีหรือที่ได้รับเนี่ยไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ช่วยลดนะความดันได้อย่างเขามีการทดลองศึกษานะเอาคนสองกลุ่มเนี่ยที่ทั้งสองกลุ่มนี่ก็เป็นคนที่มีความดันสูงเนี่ยแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่ง ได้เงิน40ดอลลาร์ก็พันกว่าบาทบอกเอาไปทำอะไรก็ได้นะ <_ an> เพื่อตัวเองกินเที่ยวก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เงินเท่ากันนะ40ดอลลาร์แต่บอกว่าเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาก็ติดตามผลนะ6อาทิตย์ต่อมาเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มที่สองเนี่ย ซึ่งเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยความดันลดลงไม่ได้กินยาเนะี่ความดันลดลงนะซึ่งก็เชื่อว่เป็นผลแห่งเป็นผลที่เกิดจากการนะแบ่งปันได้ความดันลดลงแล้วนี่อาการอย่างอื่นก็ช่วยได้เยอะนะช่วยความเจ็บปวดก็บรรเทาลงด้วย การที่เราคนเราทาความดีด้วยการแบ่งปันเนี่ยแม้เพียงแค่เจตนาหรือความตั้งใจอย่างเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วฝรั่งเขาก็มีการศึกษานะแล้วก็มีผลที่เป็นรูปรธรรมบางทีก็มีการทดลองแบบที่เรียกว่าเห็นผลได้ชัดเจนเช่เอาคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมาทดลองด้วยการตั้งใจว่าเนี่ย จะบริจาคเงินให้กับเด็กกาพร้าเก็นแล้วเขาก็ให้ทดลองด้วยการปล่อยไฟฟ้าช็อตนะ <c oughs> ให้ไฟฟ้าชอ็อตปรากว่าคนที่ตั้งใจนะจะเอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นนะหรือเด็กกำพร้าเนี่ยจะรู้สึกเจ็บหรือปวดน้อยกว่าคนทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้มีความคิดความตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าด้วยการบริจาคเงิน มันทดลองแบบเห็นผลเลยนะคือให้ไฟฟ้าช็อตแต่ไฟฟ้าก็ไม่ได้แรงอะไรนะแต่ว่าแม้จะเป็นไฟฟ้าที่อ่อนๆมันก็เจ็บแต่คนที่ตั้งใจว่าจะทําความดีด้วยการช่วยเหลือเด็กกำพร้านี่จะรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บน้อยกว่านะอันนี้ข้อกที่บายว่าเนี่ยคนเราเนี่ยแม้เพียงแค่ตั้งใจจะทําความดีหรืออยากจะเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งได้ลงมือทำํำไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อสมองนะ มันคงทําให้เกิดสารบางตัวยอสารสื่อประสาทที่ไปช่วยไปบล็อกสัญญาณความเจ็บปวดความเจ็บปวดยังไงถ้ามันปวดที่แขนที่ขาเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณความเจ็บปวดส่งไปที่สมองแต่ถ้าสัญญาณนั้นมันถูกสกัดกั้นนะสมองไม่ได้รับสัญญาณนั้นมันก็ไม่รู้สึกปวดหรือปวดน้อยลงอันนี้เขาที่ว่าเนี่ยก็เชื่อไปเนี่ยเป็นเพราะความ ตั้งใจอยากจะทำความดีมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผือแผ่เนี่ยมันก็มีผลในทางกายภาพทำให้เจ็บปวดน้อยลงซึ่งก็คงไม่ได้หมายถึงความปวดจากการถูกไฟฟ้าดช็อตอย่างเดียวแต่บางทีมีความมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันเจ็บมันปวดแต่ถ้าลองไปทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะความรู้สึกดีใจความเป็นความสึกสุขใจ มันก็คงช่วยทำให้ความปวดทุกเราบรรเทาลงด้วยอันนี้ก็มีตัวอย่างนะของคนที่เขาพอเขาได้นึกถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนึกถึงการทำความดีนึกถึงการแบ่งปันทั้งในอดีตหรือว่าที่จะทำในอนาคตเนี่ยมันก็ช่วยทาให้ความปวดทุกเราลงโดยที่ไม่ต้องกินยาระงับปวดแล้จนั้นก็ยังพบนะว่าเนี่ย คนที่เอื้อเฟือเผื่อแผ่เนี่ยมันก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นมีความสุขใจมีความสุขกายอันนี้พระเจ้าก็ตัดเวลานะผู้ให้ความสุขจอมได้รับความสุขเมื่อเราทำความดีด้วยความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ดือความมีน้ำใจ โดยเพราะทําความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากความดีนั้นเช่นไม่ได้ปรารถนาจะให้เขาตอบแทนเราหรือไม่ได้ปรารถนาจะให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญเราและเป็นการทําความดีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนแปลกหน้าคนที่เราไม่คุ้นเคยคนที่เราไม่รู้จักนะคนที่เราพบเห็นบนท้องถนนอาจจะเช่นกัน พาคนแก่คนตาบอดเดินข้ามถนนนะหรือการช่วยถือของนะให้กับคนแก่ที่เราไม่รู้จักหรือการยกรการลุกที่นั่งนะให้กับคนพิการคนแก่หรือผู้หญิงท้องเนี่ยพวกนี้เป็นการทําความดีง่ายๆนะเป็นความมีน้ําใจความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งถ้าเราทําทุกวันเนี่ยนะเออมันช่วยทําให้ความทุกข์ใจ แล้วก็ความเจ็บป่วยทุเราเบาบางไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยเพราะเครียดหรือว่าเพราะความดันสูงนะหรือว่าทุกข์ใจเพราะซึมเศร้าเพราะเครียดหรือเพราะความเศร้าโศกนะคนที่สูญเสียคนรักนะจมอยู่ในความเศร้าโศกนะลองลุกออกไปทําอะไรเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะไปเป็นจิตอาสาเลือเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้คนทุกคนยากนี่ถ้าทําเรื่อยๆทำํำบ่อยๆนี่มันช่วยลดความเศร้าโศกได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทําความดีเนี่ยมันไม่ดีกับผู้อื่นอย่างเดียวนะมันดีกับเราด้วยตอนนี้ฝรั่งเนี่ยเขาศึกษากันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พบแล้วว่าเนี่ยภูมิปัญญาโบราณที่บอกว่าผู้ให้ความสุขย้อนรับความสุขเนี่ยนะมันเป็นความจริงเลยนะสุขทั้งจัสุขทั้งใจสุขทั้งกาย เยร์น้อยในความทุกข์ก็ลดลงเมื่อไรจะเป็นความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจ